บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปจะได้กล่าวในธรรมานุสติคือการตั้งสติตามนลลึกถึงพระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าตามนัย่แห่งพระธรรมกุลที่ได้สูตรกันคำว่าธรรมะนั้น โดยทั่วไปแปลว่าสภาพที่ทรงไว้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นไม่บังเกิดขึ้นก็าตามธรรมะเหล่านั้นก็คงดำรงอยู่อย่างนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปง่ายๆธรรมะก็คือสิ่งที่เป็นอย่างที่เป็ น, ปนหรือมีอยู่อย่างที่มีอยู่ ไม่มีความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าในส่วนที่เป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามพระพุทธเจ้าเป็นได้เพียงผู้ค้นพบนำมาเปิดเผยชี้แจงแสดงเกศโลกเท่านั้นและเมื่อได้ทรงแสดงนั้นธรรมะก็อยู่ในเงื่อนไขของพระธรรมคุณที่ได้สวดกันในข้อแรกนั้นท่านแสดงว่าสวากขาตัพระวตาธรมโม แปลว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงไว้ดีแล้วคำว่าทรงสแสดงไว้ดีแล้วนั้นอาจจะกล่าวจําแนกเป็นชุดๆไปได้ดังนี้ประการแรกคือทรงจําแนกออกมาเป็นรูปของกุศลคือธรรมที่เป็นบาปสำหรับผู้กระทำเมื่อเกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วจะทำให้เศร้าหมอง แสดงออกมาทางกายทางวาจาก็จะเป็นทุจริตในลักษณะต่างๆกุศลธรรมาธรรมที่เป็นกุศลอำนวยผลให้เกิดความสุขแก่ผู้ปฏิบัติเมื่อเกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วจะมีความสงบมีความสะอาดบังเกิดขึ้นเมื่อแสดงออกมาตามอานาจของกุศลเหล่านั้นก็จะเป็นไปในทางสุจริตทั้งส่วนกายวาจา และจิตใจตามลาดับอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าอปยากตาธรรมาคือธรรมะที่เป็น ก, นกลางๆโดยตัวของมันเองเป็นของมีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมชาติของโลกซึ่งในตัวของธรรมะเหล่านี้เองไม่ได้ชั่วหรือไม่ได้ดีแต่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางดีหรือทางชั่วได้ตามเจตนาของบุคคล ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นในอวยวะในร่างกายของเรานั้นอวัยวะมือเท้าเป็นต้นเป็นตัวกลางๆแต่ในขณะเดียวกันบุคคลอาจใช้มือไปในทางที่เป็นกุศลก็ได้อาจจะใช้มือไปในทางที่เป็นอกุศลก็ได้แต่เมื่อปล่อยไว้เฉยๆไม่ได้มีเจตนาเข้าไปร่วมตัวมือเท้าเป็นต้นก็กลายเป็นเพียงอวัยวะ ที่มีฐานะกลางๆคือไม่เป็นกุศลและเป็นอกุศลการทรงจำแนกธรรมะออกไปโดยในยะนี้เป็นการชี้ให้บุคคลเข้าใจถึงธรรมชาติธรรมดาเริ่มต้นมาจากตนของตนเองแล้วจะเข้าใจธรรมชาติที่รอบตัวจนถึงสปปรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้พระบุมีพระภาคเจ้า เมื่อทรงจำแนกธรรมะออกเป็นสามกลุ่มโดยในยะนี้แล้วก็ส<อ>ิ่งทรงชี้ส่วนที่เป็นโทษของอกุศลมีลักษณะต่างๆว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเป็นเบื้องต้นเมื่อออกมาแล้วก็กระทำทุจริตทางกายทางวา จ, จาและแม้ความคิดก็เป็นทุจริตตามไปด้วยตัวการที่ สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างสําคัญก็คือเรื่องของจิตใจพระธรรมทั้งหลายนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็ขึ้นอยู่กับจิตเพียงดวงเดียวท่านั้นที่จะกําหนดรู้ที่จะกําหนดละที่จะกําหนดทําให้แจ้งที่จะกําหนดลงมือประพฤติธปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อจิตประกอบด้วยอกุศลจะเป็นอะไรก็ตามเวลาแสดงออกมาก็ไม่พ้นอกุศลไปได้ เพราะว่าจิตเป็นตัวกาหนดอิริยาบถต่างๆของบุคคลการกระทำงานของบุคคลและส่งชี้ผลของอกุศลเหล่านี้ว่านอกจากจะอํานวยความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นดังกล่าวแล้วผลอันแสบเผ็ดสร้างความทุกความทรมานให้เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นยังมีสืบต่อไปหลังจากได้กระทอาอกุศลเหล่านั้นถ้าหากว่า เจตนาเป็นเครื่องกระทำแรงวัตถุที่กระทำนั้นมีคุณมากความพยายามสูงผลก็จะมีความเดือดร้อนอย่างรุนแรงจึงทรงจำแนกกรรมคือการกระทำของบุคคลไว้ในชั้นที่ลดหลั่นกันลงมาตามองค์ประกอบทั้ง3ประการเหล่านั้นซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อกล่าวถึงประเภทของกรรมไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตาม จะมีโดยสรุปก็เป็นสี่ชั้นด้วยกันชั้นแรกเรียกว่ากรรมหนักในกรณีที่เป็นอกุศลทรงชี้ไปที่อนันตริยกรรมห้าประการคือการฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอระหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าและทำสงให้แตกกันทำไมจึงถือว่าเป็นคารุกรรมกรรมหนักเพราะว่ากรรมในลักษณะนี้ วัตถุคือสิ่งที่บุคคลกระทำมีมารดาบิดาเป็นต้นนั้นมีคุณมากแล้วคนเราจะถึงค่ามารดาบิดาได้ต้องจิตใจเข้มเกรียมอย่างมากซึ่งหมายถึงว่าในขณะนั้นเกิดโลภะโมหะโทสะครอบงำจิตอย่างรุนแรงการกระทาก็ต้องมีการวางแผนหรือใช้วิธีทารุณโหดไร้ซึ่งถือว่าเป็นความพยายามที่มาก อกุศลกรรมทั้งห้าประเภทนี้ท่านแสดงว่าไม่มีกรรมอื่นที่จะมาขัดขวางในระหว่างได้คือจะให้ผลก่อนกรรมอื่นทั้งหมดอุปมาเหมือนการทิ้งของลงมาจากที่สูงของใดที่มีน้ําหนักมากกว่าก็จะตกถึงพื้นดินก่อนเช่นใดอกุศลกรรมที่บุคคลกระทําเอาไว้อย่างไหนหนักก็จะให้ผลแก่บุคคล น, นั้นก่อนกรรมอื่นฉะนั้น กรรมอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าเบารกรรมคือกรรมอกุศลต่างๆมีการเบียดเบียนสัตว์เป็นต้นซึ่งมีคุณลดหลั่นกันลงมาความพยายามก็ไม่มากนักและเจตนาก็ไม่รุนแรงแต่เมื่อบุคคลได้สะสมกระทำกรรมนี้อยู่บ่อยๆในที่สุดปริมาณของกรรมก็จะสูงขึ้นเมื่อกรรมประเภทแรกไม่มี กรรมประเภทนี้ก็จะให้ผลแก่บุคคลเหล่านั้นก่อนกรรมอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าเป็นอาจินนกรรมเป็นบาปกรรม เ, เพียงเล็กๆน้อยๆแต่เนื่องจากกระทํากันมาจนเคยชินใช้การเวลาที่ผ่านมามากเลยก็มีการเก็บการสะสมไว้มากเช่นเดียวกันเมื่อกรรมสองประเภทแรกไม่มีผลกรรมประเภทที่สามก็จะให้ผลแก่บุคคลเหล่านั้น กรรมอีกประเภทหนึ่งซึ่งจิตจะไปเหนี่ยวนึกเอาก่อนที่บุคคลจะดับจิตที่เรียกว่าอาสันญกรรมอาจจะเป็นกรรมประเภทสองหรือประเภทสมก็ได้ใจปเป็นเหนี่ยวนึกในขณะนั้นเรื่องอะไรกรรมนั้นก็จะให้ผลแก่บุคคลเหล่านั้นเป็นการตบแต่งภพชาติให้เป็นไปาตามอํานาจของกรรมซึ่งในกรณีนี้ผู้ศึกษาธรรมะก็จะเห็นได้ว่า ชีวิตของบุคคลเรานั้นเกี่ยวข้องด้วยกรรมทั้งสี่ประเภทนี้อยู่ตลอดไปในแต่ละวันนั้นอกุศลบางอย่างเพียงเล็กๆน้อยๆเช่นกล่าวคำหยาบบ้างโกหกเรื่องที่ไม่ถึงกับร่างผลานคนอื่นรุนแรงเป็นต้นบางเมื่อบุคคลได้กระทำไปแล้วผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำก็ปรากฏในขณะนั้นแต่ในขณะเดียวกัน ส่วนหนึ่งแห่งกรรมจะเก็บไว้ภายในจิตของบุคคลมีลักษณะเหมือนเป็นการเพราะเชื้อของพืชพันธุ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาภายในจิตใจของตนในส่วนที่เป็นกุศลคือให้ผลเป็นสุขนั้นทรงแสดงไว้เป็นสี่ประเภทเช่นเดียวกันในชั้นที่บุคคลยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏคือประเภทแรก เป็นกรรมหนักซึ่งหมายถึงว่ากรรมที่มีคุณมากได้แก่วัตถุที่บุคคลกระทาเป็นเรื่องใหญ่มีเจตนาความจงใจที่แรงประกอบด้วยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมากและกระทาไปด้วยความเพียรพยายามอย่างสูงกรรมเหล่านี้ก็ให้ผลพิเศษแก่บุคคลเหล่านั้นซึ่งประเภทของคารุกรรมนั้นก็มีได้แก่พวกฌาน พวก ร, ปป ร, รูประชานและอรูปไปชานที่บุคคลอาศัยการปฏิบัติตามหลักสมาถากรรมฐานปรับจิตของตนให้มีความสงบดำเนินไปโดยลำดับจากขณกะสมาธิคือสงบชั่วครั้งชั่วคราวเป็นขณะวูหวบหนึ่งแวบหนึ่งแต่เมื่อปริมาณของความสงบสูงขึ้นเรื่อยๆนั่งไปพยายามไปไม่ท้อถอย ปริมาณของความสงบก็จะเพิ่มขึ้นที่เรียกว่าอุปจาระสมาธิและเมื่อการประพฤติปฏิบัติของบุคคลเหล่านั้นไม่ขาดสายโอกาสหนึ่งก็จะกลายเป็นสมาธิที่แน่วแน่ต่อแต่นั้นก็จะบรรลุฌานตามลําดับเมื่อบรรลุฌานแล้วสามารถสงบระงับนิวรณธรรมซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตของบุคคลตั้งห้าประการไว้ได้คือสามารถสงบกามาัฉัน อาการที่จิตรักใคร่พอใจในอารมณ์ต่างๆพยาบาทความอาฆาตจองล้างจองผลานบุคคลอื่นทีนมิทะความเงื่องงอยซึ่งซึมอดหูจิตใจอุตจะกุกุจะความฟุ้งซ่านรำคาญและวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไม่แน่ใจในคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นนิวร์เหล่านี้ก็สงบไปและผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเพียรไปจนถึงชั้นของอรูปปจาน ซึอรูปปัจจานนี้บางคราวก็เรียกว่าอารูปกรรมฐานซึ่งหมายถึงเป็นข้อปฏิบัติที่บุคคลเมื่อได้บรรลุรูปฌานแล้วก็จะปฏิบัติไปจนบรรลุส่วนนี้ซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นไม่นิยมผ่านไปในทางนี้แต่เมื่อได้บรรลุถึงชั้นที่สแล้วก็จะเจริญวิปัสสนาพิจารณาดูความเกิดดับของนามารูปจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริง และทำลายกิเลสไปได้ในที่สุดแต่ว่าในชั้นของครุ ก, กรรมฝ่ายกุศลที่อนวยผลสืบพบสืบชาตินั้นไมยเอาเฉพาะที่เป็นรูปประฌานกับอรูปฌานซึ่งใครก็ตามเมื่อบรรลุฌานเหล่านี้แล้วมวลาแต่กายทำลายขันไปจะบังเกิดในพรหมโลกโดยส่วนเดียวไม่มีความเปลี่ยนแปลงซึ่งมีลักษณะตรงกันข้าม กับอนันตรียกรรมทั้ง5ประการดังที่กล่าวแล้วอนันตรียกรรมนั้นจะบังเกิดในนรกโดยส่วนเดียวเหมือนกันไม่มีกรรมอื่นที่จะมาช่วยเหลือไปได้กุศลกรรมบางอย่างที่บุคคลกระทำด้วยอํานาจความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงที่อ่อนลงมาคือบางครั้งบางคราวก็อาจจะมีความโลภความหลงไปแทรกอยู่บ้างมากบ้างน้อยบ้างแต่ก็การกระทําเหล่านั้นเป็นกุศลมีการให้ทานมีการรักษาศีล มีการแผ่เมตตาจิตต่อบุคคลอื่นเป็นต้นถ้าหากว่ายังไม่ถึงขั้นของการบรรลุฌานก็ถือว่าเป็นกรรมมากที่เรียกว่าบุญกรรมคือกรรมที่สะสมไม่มากบุคคลจะได้รับผลแห่งกุศลแกรรมเหล่านี้แต่การรับผลนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องรับผลหลังตายเสมอไปทุกอย่างได้รับผลก่อนตายแต่เนื่องจากเงื่อนไขของการให้ผลแห่งกรรมนั้น มีความสลับซับซ้อนกันบางอย่างเมื่อให้ผลไปในช่วงหนึ่งแล้วต่อไปก็ยังให้ผลอยู่อีกเพราะว่าการให้ผลของกรรมนั้นยังไม่หมดสิน้นกรรมประเภทที่สามก็คือเรียกว่าอาจินตกรรมเหมือนกันเป็นการทำความดีด้วยแรงกระตุ้นเตือนของความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงที่ย่อนลงมาคือหมายความว่าอากุศลอาจจะแทรกเข้าไปมากบ้างในบางโอกาสแต่ยังรักษาความดีของตนเอาไว้ บางอย่างแม้เป็นการกระทำที่เพียงเล็กน้อยแต่เมื่อบุคคลได้กระทำบ่อยๆสะสมไวบ้บ่อยๆปริมาณของความดีก็มากขึ้นกลายเป็นอาจินละก ร, รมบุคคลจะได้รับผลแห่งอาจินลกรรมนั้นตามสัดส่วนแห่งกรรมที่ตนได้กระทำเอาไว้ทานองเดียวกับบุคคลที่เก็บสะสมเงินเอาไว้จานวนเพียงเล็กน้อยก็สามารถใช้สอยซื้อหาสิ่งที่ตนต้องการได้ตามจำนวนเงินที่ตนมีอยู่ ประเภทที่สามก็คืออาสันกรรมเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นกุศลที่บุคคลเกิดปเป็นเหนียวนึกขึ้นมาในขณะที่ก่อนจะดับจิตแล้วก็ไปบังเกิดด้วยอํานาจของกุศลกรรมเหล่านั้นซึ่งกรรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกุศลเรื่องกุศลก็ตามก็จะมีอิทธิพลเหนือชีวิตจิตใจของบุคคลอยู่ตลอดไปตราบใดที่ยังไม่สามารถทําลายกิเลสออกไปจา ก, กจิตใจได้ อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงจำแนกแสดงไว้ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบ้างกรรมเป็นตัวแยกเป็นตัวจำแนกให้คนเลวและประณีแตกต่างกันเป็นต้นบ้งางว่าบุคคลที่ทากรรมชั่วแล้วย่อมเดือดร้อนทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นบุคคลทำกรรมดีแล้วจะเพลิดเพลินบันเทิงในโลกนี้และในโลกอื่นเป็นต้นนี่ก็เป็นการจาแนกแสดงออกไปอย่างชัดเจน แต่ในส่วนที่เป็นอัปยากะตะกรรมคือส่วนที่เป็นกลางๆนั้นเป็นการสอนให้บุคคลยอมรับความจริงที่มีอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาแล้วสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากธรรมชาติธรรมดาเหล่านั้นได้มากตามกำลังสติปัญญาแห่งตนก็ น, นี้เพึงเห็นตัวอย่างธรรมดาทั้งหลายที่มีอยู่ในชีวิตของบุคคลเช่นความเกิดความแก่ความตาย ความเจ็บไข้ต่างๆเป็นต้นตอนนี้ตัวมันเองนั้นเป็นธรรมดาเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทรงอุปมาชีวิตของบุคคลด้วยอุปมาสมัยโบราณว่ามันเหมือนกับนายโคบาลคือคนเลี้ยงโคต้อนโคไปสู่ที่โครจรคือที่หากินทุกย่างก้าวที่โคเดินไปนั้นก็ใกล้ที่โครจรเหล่านั้นเข้าไปตลอดเวลาแต่ในขณะที่ โคได้เดินไปนั้นบางครั้งก็อาจจะมีอันตรายยันใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก่อนที่จะถึงจุดหมายปลายทางก็ได้จึงทรงแสดงไว้ว่าความเกิดนั้นส่งชีวิตเข้าไปสู่ชราและอชารานั้นส่งเข้าไปสู่มรณะในช่วงใดช่วงหนึ่งมรณะอาจปรากฏขึ้นคือความตายอาจปรากฏขึ้นตัดชีวิตติณทรีของบุคคลเหล่านั้นให้ขาดไป เมื่อทรงสอนให้รู้ธรรมชาติธรรมดาของชีวิตว่าพอเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วความตายจะปรากฏในขณะใดบุคคลไม่รู้จึงทรงเน้นให้บุคคลเพียรพยายามใช้ขณะในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์เพราะตัวปัจจุบันนั้นเป็นตัวที่บุคคลสามารถสร้างสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์แก่ตนได้มากส่วนอดีตเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วดีหรือไม่ดีก็ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ อนาคตก็เป็นเรื่องอยังไม่มาถึงถ้าหากว่าบุคคลใช้ปัจจุบันดีก็เมื่ออดีตเมื่อเป็นอดีตไปแล้วก็เป็นอดีตที่รำลึกถึงด้วยความปราบปรื้มจริงอนาคตก็จะเป็นอนาคตที่เต็มไปด้วยความหวังสาหรับบุคคลผู้นั้นเพราะวันใดอนาคตมากลายกลายเป็นปัจจุบันบุคคลสามารถใช้อนาคต น, นใช้ปัจจุบันในขณะนั้นให้เป็นสาระประโยชน์แก่ตนได้ อย่างที่ทรงแสดงไว้ในพัตเดกรัตกาถาเป็นใจความว่าสิ่งที่ล่วงแล้วไปยกฝ่ายหาที่ไม่มาก็ไม่ควรคำนึงหวังอะไรแต่ให้เน้นอยู่ในปัจจุบันพยายามม่เห็นแจ้งประจักษ์ชัดถึงถึงสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งในการมองเหล่านี้เราจะมองได้ในสองลักษณะเช่นเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนั้นในชั้นยอมรับธรรมดา ว่าเรามีความแก่เป็นเป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาเมื่อสิ่งเหล่านี้ปรากฏเกิดขึ้นแก่ตนเองหรือแก่บุคคลอื่นก็ตามไม่จําเป็นต้องตกใจหวั่นไหวอะไรเพราะถือเป็นเรื่องธรรมดาได้ก็ไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงในทางเป็นทุกข์เดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่จิตของตรอีกประการหนึ่งมองในแง่ของอัปยากตะธรรมซึ่งเป็นตัวกลาง แต่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามอํานาจของกุศลและอกุศลที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตบุคคลก็จะมองเห็นความจริงว่าการที่บุคคลไปเดือดร้อนเพราะธรรมชาติเหล่านั้นเนื่องจากจิตไปกําหนดหมายไปบงการไปตั้งความหวังให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างโน้นเมื่อไปตั้งความหวังมากค่าวก็เป็นกฎธรรมชาติอีกประการหนึ่งว่าสิ่งที่บุคคลหวังนั้น จะเป็นไปตามที่หวังทุกอย่างไม่ได้และถ้าหวังให้เปลี่ยนแปลงจากกฎธรรมชาตินั้นไม่มีใครสามารถจะหวังได้เพราะแม้แต่พระพุทธเจ้าเองซึ่งสัสรุเป็นพระสารสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่เอาก็จริงแล้วพระองค์ก็ผ่านพ้นความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ด้วยวิบากขันที่ยังมีอยู่ในพระชาติสุดท้ายดังนั้นความหวังอะไรที่ฝืนธรรมชาติจึงเป็นการตั้งความหวังในลักษณะที่เลื่อนลอย อย่างที่มรรคทรงอุปมาไว้ว่าเหมือนเด็กร้องไห้อยากได้ดวงจันทร์บุคคลเมื่อปรับจิตแยอมรับความหวังที่ฝืนธรรมชาติว่าเป็นไปาตามที่ตนต้องการไม่ได้แล้วก็สามารถปล่อยวางความยึดถือและมองเห็นสิ่งทั้งหลายในแง่ของเหตุปัจจัยว่าสิ่งอะไรก็ตามเมื่อแกมีเหตุมีปัจจัยอยู่เึ็นคราวแกเกิดแกต้องเกิดไม่มีใครบังคับแกได้ แต่เมื่อเหตุปัจจัยแห่งความดำรงอยู่สลายไปใครก็ไม่อาจจะเรียกร้องต้องการให้แก่เกิดขึ้นมาได้ความเปลี่ยนแปล ง, งของสิ่งทั้งหลายจึงเป็นไปตามเหตุปัจจัยโดยในยะนี้ดังนั้นในชั้นหนึ่งพระพุทธเจ้าจึงทรงชี้ถึงความจริงแห่งชีวิตว่าความทุกข์ในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นท่วมทับจิตใจของบุคคลจนบางครั้งบางคราวควบคุมสติไว้ไม่อยู่ เสียผู้เสียคนไปนั้นก็เพราะจิตไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายด้วยอำนาจของอุปาทานอย่างที่สวดกันว่าสังคิเตนะปัญจุ ป, ปาทานักขันธาทุกขาเมื่อล่าโดยสรุปแล้วการที่จิตของบุคคลไปยึดมั่นถือมั่นในสังขารทั้งหลายหรือว่าในขันทั้งห้าประการเป็นตัวของความทุกข์ทีนี้เมารู้ว่า ความทุกข์เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นในลักษณะนี้บุคคลสามารถใช้ปัญญาพินิจพิจารณาว่าในการใดควรยึดในการใดควรวางซึ่งข้อนี้พึงสังเกตว่าเป็นการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของบุคคลนั่นเองแต่เสริมสร้างปัญญาเสริมสร้างเหตุผลขึ้นไปสามารถปรับใช้ในโอกาสอันควรแก่การปฏิบัตินั้นๆยามที่ต้องยึดต้องแบก บุคคลก็ต้องยึดต้องแบกไว้แต่ยามจะต้องปล่อยต้องวางแล้วถ้าหากว่ายังยังไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางก็กลายเป็นภาระเป็นความหนักเป็นความอึดอัดเดือดร้อนของบุคคลเหล่านั้นข้อนี้เพิ่งเห็นตัวอย่างในชั้นของสมมติสัจจะที่บุคคลจะต้องเกี่ยวข้องกันอย่างความเป็นสามีพัญญาเป็นพ่ อ, เ ป, พอเป็นแม่เป็นเพื่อนฝูงกัน นี้ก็ต้องยึดถือในรูปของความเป็นสามีพันยาเป็นแม่เป็นลูกกันแต่เมื่อฝ่ายหนึ่งเกิดเปลี่ยนแปลงไปเช่นว่าพันยาไปพันยาล้มตายไปหรือว่าเลิกออกจากกันก็ต้องปล่อยวางสมมติเหล่านั้นเมื่อปล่อยวางได้ความเดือดร้อนก็ยุติเพียงแค่นั้นแต่ถ้าหากว่ายังขคร่ควา้าต้องการที่จะให้คนตายแล้วกลับฟื้นคืนมา หรือคนคนที่เลิกร้างไปกลับกลับมาอยู่กับตัวเป็นต้นเป็นการตั้งความหวังในสิ่งที่ไม่อาจจะหวังได้และในที่สุดก็ถูกความเศร้าโศกโทมนัสเป็นต้นเผาลุนจิตใ จ, จให้เดือดร้อนซึ่งการปฏิบัติในลักษณะนี้แม้ในการทำการงานในชีวิตประจำวันของตนก็มีลักษณะอย่างนั้นคราวยึดคราวถือก็ยึดถือกันไปแต่ว่าคราวจะต้องปล่อยวางต้องปล่อยวางให้ได้ ตามหลักที่ทรงแสดงเอาไว้ในที่ต่างๆแล้วก็มากเป็นพิเศษในชั้นของการปฏิบัติธรรมก็คือหลักของธรรมานุธรรมปฏิบัติที่แปลว่าปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมนั้นๆในขณะใดเป็นอะไรก็เป็นให้เป็นเป็นให้ดีแต่ในขณะที่ต้องมีความเปลี่ยนแปลงบังเกิดขึ้นก็ต้องรู้ว่ายุติการแสดงในตอนนั้นแล้วอย่างที่เคยกล่าวเอาไว้ว่า การดำรงชีวิตในชั้นของสมมติสัจจะคือในชั้นของโลกนั้นมีลักษณะเหมือนกับการเล่นละครเป็นละครโลกเป็นละครชีวิตเวลาอยู่ในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายให้เป็นให้ทำอะไรก็ทำให้เป็นทําให้ดีทำให้ได้แต่เมื่อเลิกบทนั้นก็ต้องเลิกให้ได้ถ้ายังไม่เลิกเมื่อบทกาหนดให้เลิกแล้วก็กลายเป็นละครหลงหลงที่มีปัญหาว่า ผลจากความหลงโรงนั้นเราจะต้องรับผิดชอบด้วยตัวของเราเองธรรมะที่เป็นสวัสดคาตธรรมเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำแนกแสดงไว้อย่างชัดเจนไม่ว่าในการใดๆก็ตามสิ่งที่ทรงแสดงว่าเป็นอกุศลจะเป็นผลดีไม่ได้สิ่งที่ทรงแสดงว่าเป็นกุศลจะให้ผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ได้ส่วนที่เป็นกลางๆนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขาทางจิต ที่บุคคลกำหนดดังที่ได้กล่าวมาแล้วธรรมะที่ทรงแสดงจำแนกว้ยเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะมีอยู่โดยอเน ก, กปริยายก็ตามฟังดูคล้ายๆจะไม่สามารถประพฤติปฏิบัติได้แต่เมื่อบุคคลอาศัยปัญญาเป็นหลักกำหนดรู้ในชั้นของปริยัติว่าอะไรเป็นกุศลให้ผลเป็นสุขอะไรเป็นอกุศลให้ผลเป็นทุกข์แล้ว เป็นการรู้ทางเสื่อมและทางเจริญว่ า, ากุศลนั้นเป็นทางเสื่อมอกุศลนั้นเป็นทางแห่งความเจริญบุคคลผู้นั้นก็เพิ่มพูนปัญญาประเภทที่เรียกว่าอุปายกศลคือความฉลาดในอุบายวิธีที่จะหลีกหนีทางเสื่อมมาดำเนินในทางเจริญได้ก็สามารถสร้างความสวัสดีให้บังเกิดขึ้นแก่ตนในฐานะนั้นๆซึ่งในชั้นของการปฏิบัติ ตามสวากขาแต่ธรรมคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วนั้นก็ไม่อื่นไปจากการปฏิบัติในชั้นทานในชั้นศีลในชั้นสมาธิและในชั้นของปัญญาซึ่งว่ากันตามหลักความเป็นจริงแล้วธรรมะแต่ละขั้นที่ทรงสั่งสอนเอาไว้นั้นเนื่องจากเป็นของมีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาดังกล่าวแล้วเจตนาที่จะให้ทานก็ดี เจตนาที่จะรักษาศีลก็ดีหรือเพื่อนจิตที่มีความสงบและปัญญาความรอบรู้ก็ดีจึงมีเชื้ออยู่พอสันฐานประมาณภายในจิตใจของบุคคลแต่ละคนแล้วบางคนอาจจะมีมากบางคนอาจจะมีน้อยถ้าหากว่ามีมากอากุศลซึ่งมีอยู่ด้วยก็จะมีปริมาณท่วมทับความรู้สึกเหล่านั้นได้แต่ถ้าหากว่ามีกุศลอยู่พอสมควรก็อาจที่จะ สกัดกั้นกระแสแห่งอกุศลลงไปได้ซึ่งการปฏิบัติในลักษณะที่ทรงสอนไว้นั้นได้แก่การละสิ่งที่เป็นอกุศลการลงมือประพฤติปฏิบัติในส่วนที่เป็นกุศลเพื่อผลคือความสะอาดในด้านอาการกายวาจาความสงบในด้านจิตใจและความสว่างในด้านปัญญาจนสามารถขจัดอกุศลโทษทุจริตต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตใจของตน ให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ตามสมควรแก่ชั้นนั้นๆจนถึงเข้าถึงความบริสุทธิ์อันแท้จริงซึ่งเป็นเป้าหมายในพระพุทธศาสนาสวาขาแตธรรมธรรมะที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วนั้นจึงมีผลในชั้นของการน้อมรำลึกในการสร้างความสงบมีผลในการกำหนดพินิษพิจารณาเพื่อเสริมสร้างศรัทธาภาษาทะขึ้นภายในจิตใจ และมีผลในการน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อจะให้สัมผัส พ, พระธรรมคุณที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสัตย์รู้และแสดงไว้ดีแล้วด้วยใจข้างตนอันก่อให้เกิดผลเป็นการถึงพระธรรมอย่างแท้จริงสมกับคำที่เปล่งว่าธรรมังสนังกัจฉามิซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นสระทที่พึ่งที่ระลึกดังนี้ต่อต่นี้ขอให้ตั้งใจทาความสงบ สืบต่อไป